พุทธแท้พุทธเทียมชาวพุทธเรานับถือศาสนาพุทธแต่ไม่มีจุดยืนเพราะคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งนับถือศาสนาเพื่อเรียนธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างคุณงามความดีปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพานอีกพวกหนึ่ง นับถือศาสนาตามจารีตประเพณีของบรรพบุรุษอีกประเภทหนึ่งนับถือศาสนาพุทธเพื่ออาชีพสร้างวัตถุมงคลขึ้นมามาปลุกเสกแจกจ่ายขายเอาเงินเอาทองอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้คนเรามีจิตใจเขวจากหลักธรรมะความเป็นจริงหลวงพ่อท่านบวชมาท่านก็เรียนตำราหมอดูทำนายทยทั์ ต้องไปแก้กรรมแก้เวรอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่หลักศาสนาพุทธหลักศาสนาพุทธเนี่ยเชื่อกรรมและกฎของกรรมอย่างเดียวชีวิตของเราจะเป็นไปด้วยดีจะเสื่อมหรือจะเจริญอาศัยกฎของกรรมกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันหมายถึงทำดี ในเมื่อทำดีแล้วกรรมดีที่มีอยู่ในชาติก่อนพบก่อนมันก็มาสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ใช่เพราะโชคอะไรต่างๆตามหมอดูเขาว่า